บทภาชนี477กรรมที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้องให้ชันท่าไปแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตตาจิตตีกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจให้ชันท่าไปแล้วกลับตีเตียนต้องอบัตทุกกดกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องให้ชันท่าไปแล้วกลับตีเตียนไม่ต้องอบัต กรรม <icism> ที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ <sm all> กรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรม <sm all> ที่ทำไม่ถูกต้องไม่ต้องอบัต